พวกเราขังตัวเองเอาไว้ในขันมองออกไหมจิตมันโดนขังไว้ใค่รู้สึกไหมมันเหมือนถูกขังอยู่เราต้องทำลายที่ขังออกไปเหมือนห้องนห้องนี้นมีผนังมีหลังคามีอะไร เหมือนกล่องข้างในกลวงๆสึกไหมในนี้กลวงๆเหมือนกล่องมีช่องสําหรับออก่างตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายนนี้ช่องในใจช่องที่เอาไว้ออกช่องประตูช่องหน้าต่างหลวงปู่ดุลท่านเคยสอนเรื่องความวาง บอกนี่มันเป็นความว่างที่ขั้นขั้นอยู่ในตาหูจมกูกลิ้นกายใจเหมือนว่างๆ ง, งนี้ไม่ใช่มหาสุญญตาไม่ใช่นิพพานเหมือนอย่างเนี้ยยังถูกขังอยู่แต่ว่ามันออกไปเที่ยวได้มันก็เลยไม่รู้สึกว่าโดนขังไว้ ถ้าคนมีสติปัญญา ม, มากก็รู้สึกเราถูกขังอยู่ในขันนี้เหมันอยู่ในศาลานี้ศาลานี้จะใช้งานได้สบายหน่อยก็ต้องว่างๆถ้าในศาลานี้ตันใช้อะไรไม่ได้ต้องกลวงๆ ว, ว่างๆประตูหน้าต่างมันมีจริงไหมประตูมันไม่มีนะมันถึงเป็นประตู ถ้ามีขึ้นมามันเป็นบานประตูแล้วออกไม่ได้หน้าต่างก็เหมือนกันมันมีประตูมีหน้าต่างขึ้นมาเพราะมันมีฝามีผนังถ้าวันใดผนังมันพังไปประตูไี่หายไปมันหลอกหมดเลยนะมันหลอกตาเราทั้งหมดเลยงั้นไอ้ว่างๆเนี่ยว่างปลอมๆ ม, มันว่างที่เทียบกับความมีอยู่ อยช่องประตูช่องหน้าต่างดูว่างว่างเมื่อมันไปนเทียบกับฝาผนังห้องนี้ดูว่างมันมีกล่องมนกรอบกลุ่มเอาไว้คนมีปัญญาอยู่ในนี้รู้สึกอึดัดคนไม่มีปัญญาก็อยู่ตัวนี้อิสระมนุษย์ทั้งหลายโดนขังอยู่ในคิดว่าตัวเป็นอิสระเพราะมันไม่มีปัญญาเห็น ถ้าวันใดเราลื้อไอ้กล่องนี้ออกไปรื้อผนังรื้อหลังคาลื้ออะไหลวงพูด่ดูลท่านบอกนะว่าความว่างที่ขั้นระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเข้ากับความว่างของจักรวาลเดิมแต่โลกข้างนอกเป็นหนึ่งเมื่อเรารื้อผนังออกไปเนี่ยความว่างอันนี้จะไม่มีมจะเป็นอันเดียวกันไม่มีขอบมีเขตละ เป็นความว่างที่ยังมีขอบมีเขตความว่างที่ขั้นอยู่ในตาหูจมูกนิ้นกายใจเป็นความว่างที่คู่กับความมีอยู่เป็นของที่เป็นคู่คู่นักปฏิบัติไม่มีสติปัญญาไม่รู้ว่าจะต้องทำลายฝาผนังหรือหลังคาอะไรออกไปไม่รู้ว่าต้องวางขันออกไปไคิดว่าจะรักษาความว่างไว ทรงอยู่กับความว่างในใจนิรันดร์แล้วกว่านี่แหละนิพพานนี่มันไม่นิพพานหรอกว่างอันนี้เรียกว่าช่องว่างช่องว่างใช้ภาษาคืออากาศสารอากาศกช่องว่างไม่ใช่สุญญตาสุญญตาไม่มีขอบมีเขตแต่ถามว่าในนี้มีสุญญตาไหมมี ตรงไหนตรงไหนก็มีเพราะมันไม่มีขอบมีเขตแค่เราวางขันออกไปนะ ใ, นใจดวงนี้ก็จะสัมผัสกับมหาสุญญตาตัวจริงได้ถ้าวางขันไม่ได้นั้นก็ไปแต่งจิตขึ้มารักษาจิตเอาไว้ในความว่างเวียนว่ายไตเกิดอยู่นั่นเองน่าสงสารถูกขังอยู่ไม่รู้ว่าถูกขัง ใครฟังแล้วอยากออกบ้างเห็นหรือยังว่าโดนขังอะหลวงพ่อเห็นทีแรกนะโอ้คุ้มใจน่าดูเลยจิตโดนขังเห็นแล้วอึดัดทำไงจะหลุดออกไปทำไงจะหลุดออกไปมันพ้นไปไม่ได้นะถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่มีทางรอดทางที่สอง ทางรอดมีทางเดียวนะคือต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้อริยสัจจะรู้อะไรบ้างรู้ทุกอะไรคือทุกรูปนามคือทุกขเมื่อคนว่าเก็ดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นั้นอาการปรากฏของความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ของรูป บางคนเรีว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์นั่นตป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจตัวที่เรียกว่าทุกข์จริงๆคือตัวรูปกระนามนิ่งรูปก็โชวความทุกข์ให้เราดูด้วยความแก่ความเจ็บความตายนมามธรรมจิตใจก็โชวให้เราดูแสดงให้เราดูถึงความทุกข์ ด้วยการเจอสิ่งที่ไม่รักด้วยการพลดัลดพรากจากสิ่งที่รักด้วยความผิดหวังต่างๆความแห้งแร้งใจขับแค้นใจไม่สบายใจํจำใดที่ยังมีรูปมีนามอยู่ความทุกข์มันก็แนบมาตลอดห น, ะนีมันไม่ได้เมื่ อ, อยังยึดถือกายอยู่ก็ยังไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย เมื่อยังยึดถือจิตอยู่<ม>ก็ยังไม่พ้นจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักก็ความไม่สมปรารถนาต่างๆงั้นตัวที่เรียกว่าทุกข์จริงๆก็คือตัวรู ป, ปรนามนี้<ม>ถ้าไม่มีรูปธรรมใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายมันก็ไม่มีถ้าไม่ได้ยึดถือจิตเอาไว้ใครจะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ใครจะประสบสิ่งที่ไม่รักใครจะไม่สมหวังมันไม่มีเรื่องไม่มีพูดเป็นทุกข์นี่คือตัวทุกข์ต้องรู้หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เนี่ยถ้าความเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดอญญายศัสตร์นะมันจะเป็นว่าทุกข์คืออะไรสมูทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไร หน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อสมูทัยคืออะไรหน้าที่ต่อนิโรธคืออะไรหน้าที่ต่อมักคืออะไรแล้วก็ได้ทำหน้าที่นั้นแล้วทุกได้รู้แล้วสมูทัยได้ละแล้วนิโรธได้แจ้งแล้วมักได้เจริญเต็มที่แล้วนี่แหละถึงจะเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมีอย่างละสาม ไอมีเนี่ยแต่ละอา น, นะทุกสมูทไทยนิโรธมร์เนี่ยมีเรื่องแต่ละตัวเนี่ยมีเรื่องที่เราต้องเรียนสามอย่างอันแรกตัวมันคืออะไรทุกสมูทไทยนิโรธมร์คืออะไรนี่สี่ข้อแล้วถัดจากนั้นเราต้องทํำยังไงต่อทุกสมูทไทยนิโรธมร์ต้องรู้ทุกล่าสมูทไทยต้องแจ้งนิโรธเข้าถึงเข้าไปถึงเข้าไปสัมผัสเข้าไปเห็นไม่ได้ทำให้เกิด หน้าที่ต่อมรคือการเจริญให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนถึงขีดสุดถ้ารู้อริยสัจ ร, รู้ทุกขสมุทัยนิโรธมรคแล้วรู้หน้าที่ต่อทุกขสมุทัยนิโรธมรคแล้วแต่ยังไม่ได้ทําหน้าที่เต็มเปี่ยมเรียกว่ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจอันนั้นรู้ผิวเผินรู้ด้วยปริยัติเราก็ต้องลงมือรู้ทุก ลงมือลาสมุทยัยลงมือแจ้งนิโรธลงมือเจริญมรรคมีงานทั้งเยอะงานมากมายอย่างนี้จะทํำยังไงไม่มีเคล็ดลับถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็ลาสมุทัยเมื่อนั้นลาสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดเมื่อนั้นงั้นทำอันเดียวก็พอคือรู้ทุกข์ให้ได้ รู้ทุกก็คือรู <S <S <S ้ความจริงของรูปนามกายใจนี้แหละถ้ารู้ความจริงของมันได้นะจะเห็นเลยรูปนี้เป็นตัวทุกนามนี้เป็นตัวทุกนี่เรียกว่ารู้ทุกของเราไม่เห็นของเราเห็นว่ารูปนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างไม่เห็นทุกเราเห็นว่านามธรรมทั้งหลายนะเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าเป็นตัวทุก ถ้าภาวนาถึงขีดจริงๆ จ, จะเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขถ้ารู้ทุกข์แกมแจ้งนะก็เป็นอันละสมุ ท, ทยัยโดยอัตโนมัติทําไมรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยได้สมุทัยเป็นความอยากความอยากมีนับไม่ถ้วน เยอะยะอยากโน้นอยากนี้อยากทั้งวันเลยย่อลงมาก็เหลืออยากหกอย่างอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสทางกายที่ดีอยากได้ธรรมอารมณ์ที่ดีหิวในอารมณ์ทั้งหกเป็นตัณหาเป็นตัวสมุทัยเวลามันอยากต่ออารมณ์ทั้งหกนะมันอยากในสามแบบ ถ้าอารมณ์ที่ดียังไม่มีก็อยากให้มันมีอารมณ์ที่ดีมีแล้วอย่างรูปที่ดีมีแล้วก็อยากให้อยู่ถาวรให้คงที่เป็นสัตสติธิคงที่เจอเป็นปัญหาที่เจอด้วยสัตสติธิถ้ารูปที่เห็นมันไม่ดีก็อยากให้มันหายไปนี่ความอยากนะความอยากมีหกมัน อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจแต่ละอันแต่ละอันก็แสดงได้3มแบบความอยากไม่มีสิ่งที่พอใจก็ อ, อยากให้มีเมื่อได้สิ่งที่พอใจมาแล้วนะก็ อ, อยากให้มันอยู่ตลอดไปนะมีอยากอีกเนี่ยลีลาของความอยากเมื่อได้ของไม่ดีมาอยากให้มันหายไป เวลาอยากได้กลิ่นคิดถึงกลิ่นหอมๆตอนนี้รับราวัดเต็ไมไปด้วยกลิ่นขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ไม่ใช่ไก่เยอะนะเขาเอามาใส่ไร่มันมีกลิ่นปกติที่เนี่จะหอมหอมด้วยดอกไม้นานาชนิดหอมช่วงที่มีขี้ไก่มาก็เหม็นพอจมูกเราได้กลิ่นขี้ไก่ เราก็อยากให้กลิ่นนี้หายไปอยากให้กลิ่นหายไปเป็นอะไรเป็นตัณหาชนิดไหนมี็นวิภวะตัณหาอยากให้หมดไปก็คิดถึงกลิ่นดอกไม้อยากให้กลิ่นดอกไม้กลับมามีกามาตัณหาช่วงไหนกลิ่นดอกไม้เต็มวัดเลยนะก็มีภาวะตัณหาอยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยลีลาของตัณหานะมีเยอะแยะเลยตัณหา ย่อยๆออกไปก็ป่าเข้าไปสิบแปดแล้วได้สิบแปดแล้หาทางคูณเข้าไปเรื่อยๆนะได้เยอะแยะได้ตันหาร้อยแปดแต่ตันหาถึงจะมีมากมายนะถ้ายอ่อลงมาอันนี้พูดแบบขยายขยายก็ไปเรื่อยเลยแตกแจกแจงชนิดของตันหาไปเยอะแยะเลยถ้ารวบกลับเข้ามาตันหาเหลือนิดเดียว อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านี้เองถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ลว้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยจิตนี้เป็นทุกข์ลว้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยตัณหามจะไม่เกิดตัณหา ม, มันเกิดจากความไร้เดียงสาความไม่รู้รากเหง้าของมันคือความไม่รู้คือตัวอภิชานั่นเองไม่รู้ทุกข์นี่แหละตัวร้าย เพราะมันไม่รู้ความจริงว่าร่างกายนี้ตัวรูปนี้เป็นตัวทุกข์มันก็เลยอยากให้ตัวรูปนี้ไม่ทุกข์อยากให้ตัวรูปนี้มีความสุขมันไม่รู้ความจริงของนามธรรมา ท, ทั้งหลายว่าเป็นตัวทุกข์มันก็อยากให้นามธรรมาให้จิตให้ใจเราเนี้ยพ้นทุกข์อยากให้จิตใจนี้มีความสุขพอมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุข มันก็ขยายความอยากออกไปทําไงใจกระจจะเป็นสุขต้องหาอารมณ์ที่ดีมาปลนนิบัติมันหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสมหาธรรมอารมณ์มาปลนเปลอมันนะแล้วก็ขยายความอยากไปเรื่อยๆไม่มีสิ่งที่ดีที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองก็อยากมีมีแล้วก็อยากให้อยู่ตลอดฝืนความจริง ตัวอย่างไม่คงที่บางอย่างไม่พอใจเขาอยากให้หายหายเร็วๆฝืนความจริงเองว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันถึงจะดับถ้าเหตุยังอยู่มันไม่ดับไม่ใช่เป็นไปตามอยากเป็นไปตามเหตุมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามอยากนั่นหน้าที่ของเรารู้ทุกข์ไว้ให้ดีรู้ทุกข์ก็คือ รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจนี้แหละเราจะรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้นะอันแรกเลยต้องไม่ลืมรูปนามไม่ลืมรูปนามไม่ลืมกายลืมใจไม่ลืมตัวเองรูปนามอยู่ที่ไหนรูปนามอยู่ที่ปัจจุบันนี้แหละรูปนามในอดีตไม่มีเคยมีแต่ไม่มีแล้วงั้นเราจะไปรู้รูปนามนะี ไปรู้ในอดีตไม่มีรูปนามในอนาคตยังไม่เกิดเราจะไปรู้ความจริงของรูปนามในอนาคตหามันไม่เจอหาตัวรูปนามในอนาคตไม่เจอแค่เรารู้เรียนรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เองมีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้รูปนามในปัจจุบันนี้เองถ้าทิ้งปัจจุบันตกไปสู่อดีตตกไปสู่อนาคตก็หารูปนามไม่เจอ รูปนามในอดีตไม่มีแล้วสิ่งที่มีอยู่คือความจําในรูปนามนั้นรูปนามในอนาคตยังไม่มีสิ่งที่มีอยู่คือความคิดถึงอนาคตอดีตเป็นความจาอนาคตเป็นความคิดปัจจุบันนี้แหละเป็นความจริงอยากเข้าถึงสัจจะอยากเข้าถึงความจริงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันก็มีหลายดีกรี ปัจจุบันอาชาตินี่ยาวมากเลยปัจจุบันกลับนี่นานหนักเขอ้อผีอิงกับปัจจุบันใช้ไรายไม่ได้ปัจจุบันอาชาติก็ใหญ่ไปปัจจุบันจริงๆก็คือขนาดจิตต่อหน้าเรานี่เองเนี่ยพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บเสียงที่พูดตะกี้ตกไปสู่อดีตหมดละวงั้นปัจจุบันมันสั้นนิดเดียวมันอยู่ตอนหน้าเราเนี่เอง ของจริงอยู่ตรงนี้เองนี่ยากมากเลยที่จิตของสัตว์ทั้งหลายจะเข้ามาอยู่กับปัจจุบันจิตของสัตว์ทั้งหลายนะั้นอยิวอารมณ์ที่วิ่งพล่านๆไปอารมณ์นั้นก็มีหลายแบบนะอารมณ์ในปัจจุบันก็มีอารมณ์ในอดีตก็มีอารมณ์ถึงอนาคตก็มีอยู่ไปได้กระจายออกไปได้เรื่อยๆความอยากอยากไปถึงอดีตมีไหม อยากให้วัยสาวคืนมาอยากให้คนที่ทิ้งเราไปแล้วกลับมาอะไรย่างเงี้ยอยากอดีตอยากอนาคตมีไหมใครอยากอนาคตมากมากกว่าอยากอดีตยกมือซิมีไหมใครอยากอดีตมากกว่าอนาคตยกมือซินี่เป็นเครื่องวัดวัยนะ คนพอแก่ขึ้นไม่มีแรงแล้วไงอยากอนาคตมันไม่มีแรงไปสู้กับเขาแล้วนี่ก็หวยหาอาดีตนะต้องสู้นะยามอยู่ชีวิตอยู่กับปัจจุบันงั้นเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมีความสุขรู้สึกตัวมีความทุกข์รู้สึกตัว เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกตัวเกิดกุศลรู้สึกตัวเกิดอกุศลก็รู้สึกตัวนะจิตวิ่งไปทางตาก็ารู้สึกตัวขึ้นมาจิตวิ่งไปทางหูรู้สึกตัวขึ้นมานะพวกเราพอนาใครเห็นจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้บ้างยกมือสิมีไหมใครเห็นจิตไม่วิ่งนะจิตเกิดที่ไหนจิตดับที่นั้นเห็นไหม หรือเห็นผสมกันตอนไหนมีสติก็มีสมาธิก็เห็นว่ามันเกิดดับตอนขาดสติขาดสมาธิเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาตัวเดิมวิ่งไปวิ่งมาจิตไม่มีการวิ่งไปวิ่งมานะจิตเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นเลยสิ่งที่ทำให้เห็นว่าวิ่งไปวิ่งมาเรียกว่าสันติลองนึกภาพถึงฟิล์มหนังน่ะเด็ก ยุคนี้จะไม่เคยเห็นแล้วเห็นแต่แผ่นซีดีดูไม่ได้ละใครเคยเห็นฟิล์มหนังบ้างมีไหมยกมือสิก็แก่พอประมาณนะฟิล์มแต่ละรูปเป็นรูปนิ่งใช่ไหมฟิล์มแต่ละอันแต่ละอันแต่ละรูปเป็นรูปนิ่งแต่พอเอามาฉายรูปมันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็ว มันก็เลยรู้สึกมีพระเอกมีนางเอกเดินไปเดินมาได้ตีกันได้หอมแก้มกันได้อะไรชกกันได้เป็นภาพวงตาที่นั่งดูหนังอยู่เนียดูภาพวงตาถ้าดูลงปัจจุบันแล้วก็จะไม่สนุกเลยไม่มีความสนุกเลยเห็นแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะจิตก็เหมือนกันจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะเหมือนฟิล์มหนังแต่ละรูป นี่มันเกิดดับต่อเนื่องกันเร็วมันเกิดที่ใจแล้วตามามไปเกิดที่ตาตามามกลับมาเกิดที่ใจอีกเราก็รู้สึกว่าจิตเนี่ยวิ่งไปที่ตาแล้ววิ่งกลับมาถ้าสันตติมันบงังทำใ ห, ให้ไม่เห็นความไม่คงที่เกิดดับเลยคิดว่าจิตเที่ยงถ้าเราพานา ชมนี้ชํานานนะเราเห็นจิตเกิดที่นี่แล้วก็ดับเกิดที่นี่แล้วก็ดับไรตรงกลางนี้อะไรทาไมมันรู้สึกว่ามีอยู่ทาไมเห็นมือนมีรูปอยู่เียสัญญาณพรุงสัญญาณจารูปนี้จารูปนี้นะใส่สัญญาค่อยเรียนนะลงปัจจุบันดูไปเรื่อย ไม่ต้องดูละเอียดถึงขนาดที่หลวงพ่อเล่านี่หรอกดูแค่เห็นว่าตอนนี้ร่างกายเป็นหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดนินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้า ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าถ้าเราเห็นด้วยใจอย่างนี้นะก็จะเดินปัญญาทำวิปัสสนาอยู่แต่ถ้ามันนั่งหายใจอยู่นะแล้วมันยังไม่เห็นช่วยมันคิดก่อนช่วยมันคิดนี่ร่างกายกำลังหายใจออกในใจเราเป็นคนดูค่อยๆสอนไปไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิกรูนสุภาอะไรเราเสียเวลาปฏิกรูลสุภาอะไรนั้นเอาไว้คิดเวลาราคาแร ง, แรง อย่างพระเนี่ยต้องพิจาร ม, มันกันพระหนุ่มหนุ่มราคะเกิดขึ้นไม่ไไรู้จะทำยังไงได้คิดถึงสาวในช้างทางสวยงามนะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็สึกไปต้องพยายามคิดถึงความจริงของสาวคนนั้ น, นครูบาอาจารย์ท่านก็เคยสอนนะท่านเห็นสาวคนหนึ่งน่ารักแล้วท่านวันหนึ่งท่านไปเห็นสาวอน คนบ้านนอกนะอือตามทุ่งภาษาไปแล้วท่านเห็นกองอือของสาวนะมไม่น่ารักท่านออกบวชเลยบา ย, บายยใครจะอยู่กับถุงุงอือถุงฉี่เนะไม่เอาน่อย่ า, ยางเนี้ยแกราคะราคะเป็นตัวปลูกพันธุ์แต่ถ้ามิปัสนาไม่ได้ดูปฏิคูณสุภา เราทำวิปัสสนาเพื่อจะได้ไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือมันเพราะเห็นนั่นไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อหมดความหน้าด้านที่จะเข้าไปยึดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราของไม่เที่ยงเป็นของมีความทุกข์ไม่ใช่ของดีแล้วแต่จะมองบางคนน่มองว่าเห็นมันมีแต่ของไม่เที่ยงไม่รู้จะยึดทําไมเหนื่อยเปล่าเปายึดไปแล้วก็พัง บางคนก็เห็นเป็นทุกข์มีแต่ก้อนทุกข์ไม่รู้จะยึดทำไมบางคนเห็นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่รู้จะยึดทำไมหน้าด้านปาเปล่าๆรู้สึกอย่างนั้นง้นเรารู้สึกตัวนะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเห็นในร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะมันไม่ใช่ตัวเราเพามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจไปก็ทุกไปถ้ามีสติอยู่นะแค่หายใจก็ทุกและใครเคยรู้สึกไหมอย่างเรารู้สึกตัวอยู่ในหายใจอยู่เนี่ยมันทุกนะนเหนื่อยทําไมต้องมานั่งหายใจเคื่องเครื่องเคื อ, อยู่ตลอดเวลานะปั๊มลมเข้าไปนะคือลมที่เราปั๊มเข้าไปก็โศกโุกด้วยก็้ยังหายใจหายใจไม่ออกก็ต้องพยายามหายใจหายใจโอ้ทุกนะตอนเป็นหวัดนะ หายใจไม่ออกทุกไหมตอนนั้นดูง่ายถูกนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยหลงพ่ออยู่ตรงนี้สูงหน่อยมองเห็นบางคนก็เกาโน้นเกานี้ไปเรื่อยนะเพราะมันทุกก็เกาแก้ทุกนั่งก็กระยุกกระยิกกระยุกกระยิกไปเรื่อยเพมันทุกมันเมื่อยต้องขยับแก้ทุกอีก ไม่เหมือนพวกเทวดานะเทวดาพวกพรมเวลาฟังธรรมเนี่ยฟังกันเรียบเรียบร้อยนั่งไม่นั่งอย่างพวกเราหรอก <c oughs> ร่างกายมนุษย์นะมันมีปูดปูดปมปมมีโคดๆโคงองอนะร่างกายพวกเทพพวกอะไรนะันไม่มีกระดูกปูดปูดปนปน อ, อะไรอย่างงี้ นี่บางคนได้ยินอย่างนี้นะทีไ่ไปกินใหญ่จะได้กระดูกไม่โปรกก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะวันนี้เวลาฟังธรรมนะเรียบร้อยยิ่งพวกมานเนะี่ยฟังธรรมแล้วจะ ร, ร้อยกว่าเพื่อนเลยไม่น่าเชื่อทําไมพวกเราต้องก็ยุกกรยิกไปเลยขันของเราเป็นอย่างนี้แหละรูปประคันของเรามันเกิดด้วยบุญเครื่องกลางๆ มีรู ป, ปรขันอย่างนี้นะของความเป็นมนุษย์มีขอบเขตของมันอยู่มันอยู่ได้แค่นี้แหละ ม, มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆไปงั้เป็นมนุษย์นี่ได้เปรียบดูรูปได้เห็นได้ตัวนี้เป็นตัวทุกข์พวกเทพเหรอผ่านมากับหนึ่งแล้วหน้าตายังเหมือนเดิมเลยผมหออกก็ไม่มีเหงื่อออกสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ออกถ้าเหงื่อออกวันไหนจะตายวันนั้น ของเราเหนื่อยครย้อยตื่นนอนไม่ล้างหน้าก็ดูไม่ได้แล้วเนื่อเพราะขันเราเป็นอย่างนี้วิบากส่งมาให้เราได้ขันที่ดีครึ่งๆก ล, ล, ล, ล, ล, ลางๆไม่ดีมากแต่ขันครึ่งๆกลางๆนี่แหละดีที่สุดเลยสําหรับการทํำมิปรสนานพวกเทพพวกพรหมมีความสุขทางใจด้วยความสุขเนื้อยาวนานมากเลยแต่พวกเทพยังพอเห็นทุกข์ได้ง่ายกว่าพวกพรหม พวกเทพนี่มีความรักได้เมื่อมีความรักได้ก็มีความทุกข์ได้ไปอยากได้นางฟ้าองนี้เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบหน้าเขาไม่ชอบคนอื่นชอบองค์อื่นอย่างนี้มีความทุกข์ทุกข์มากมากตายไปเลยจนะีใจเศร้าหมองนี่ร่อแหลมเหมือนกันนะงานขันของเราดีแล้วละ่ะ บุญคคเครื่องๆกลางๆส่งมาให้เรานะร่างกายเราก็ไม่ดีเลิศไม่เลวเลิศอายุไม่นานเกินได้เห็นความแก่ได้เห็นความเจ็บได้เห็นความตายง่ายร่างกายของเทพสวยงามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดูทนทานบางคนคิดว่าเป็นอมาตะเลยอยู่นานๆมันจะเป็นแสดงความแก่ความเจ็บความตายช่วงสุดท้ายนิดเดียวเอง วันไหนเหงื่อออกนะพวกเทวดาก็จะมาส่งนะมาส่งอย่างสันตุสิทธิ์จะมาจุติมาเป็นชา้าชายสิท ธ, ธัตถะวันนั้นก็อาการนี้ก็ปรากฏง้เราควรภูมิใจนะเรามีขันไม่ดีไม่เลวเกินไปมีความเปลี่ยนแปลงที่ดูง่าย โดยเฉพาะทางใจตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะร่างกายเปลี่ยนช้าในะร่างกายดูทุกข์ง่ายเวลาทุกข์ทุกนานถ้านะดูว่าไม่ใช่เราเป็นวัตถุที่จิตมาอาศัยอยู่เหมือนเปลือกเหมือนฝาห้องเหมือนอย่างนี้เหมือนเพดานเหมือนพื้นนี่เรขันห้าม มันขังเราไว้ถ้าเราเห็นความจริงของรูปธรรมานามธรรมานะเรารู้ถูกข์แจ่มแจ้งนะโอ้รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมา ท, ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอ ร, รู้อย่างนี้นะมันจะสลัดทิ้งเลยคล้ายๆระเบิดไฟฟ้าห้องนิดระเบิดเพดานทิ้งไปหมดเลยนะพื้นเพลินใจที่เคยถูกขังอยู่แคบๆนะึ่งเป็นอิสระ ความว่างที่สัมผัสอันนี้ไม่มีขอบมีเขตจิตใจไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงไม่มีการไปไม่มีการมามันจะไปไหนเต็มไปหมดทุกหนทุกแห่งในก้อนหินก็อยู่ได้ซึมซ่านไปหมดมันจะไม่มีความรู้สึกนะว่าอตอนนี้อยู่ในที่คับแคบอะไรเงี้ยเวลาเข้าที่แคบแคบรู้สึกอึดอัดไหมถ้าภาวนาไปนะอยู่ตรงไหนเหมือนกันหมดเลย เห็นคนเยอะๆนี่นะหรืออยู่คนเดียวก็เห็นเหมือนๆกันเห็นคนเราก็เหมือนไม่เป็นคนอะไรมันก็เป็นสีสันอะไรที่ตัดกันไปตัดกันมาเฉยๆไปภา์ น, นานะที่ทำความรู้แจ้งอริยสัจให้ได้ถ้าชาตินี้ยังไม่ได้ก็ชาติต่อต่อไปอย่าให้เกินเจตชาติอย่าให้เกินเ จ, ช า, าเนเจชาติได้ไหมถึงชาตินี้ควรจะได้โสดานะ จะปลอดภัยไว้ก่อนไม่งั้นไม่ปลอดภัยหรอกเป็นคนดีชาติต่อไปไม่มีธรรมะก็ได้นะไม่ได้เจอาศาสนาอาจจะเป็นคนไม่ดีขึ้นมาอีกเอาไว้ใจไม่ได้หรอกงั้น่าวนานนะอยู่กับปัจจุบันดูรูปดูนามไปจนวันหนึ่งเห็นว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราก็นะดูต่อไปอีก ตัวที่เห็นว่าไม่ใช่เราแล้วตัวเราไม่มีได้โซดาดูต่อไปจนแจ้งเลยกองทุกนะมีแต่ทุกล้นล้นเลยทุกมากกับทุกน้อยทุกมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของนอกจากทุกไม่มีอะไรเลยถ้าเห็นอย่างนั้นอนะ่ะก็เรียกว่าลื้อโลกทิ้งเลยนายช่างผู้สร้างเรือนใครไปสร้างเรือนให้เราอยู่ตันหาหนี่แหละเราทําลายเรือนนี้ทิ้งละทําลายทิ้งไป นายช่างก็สร้างใหม่ไม่ได้แล้วนายช่างก็ถูกฆ่าตายไปแล้วะเชิญไปกินข้าว